เจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หุ้พฤศจิกายนพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้มาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปคำว่าบุญนะคำว่ากุศลนี้มีความหมายไม่เหมือนกันคือคำว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจอิ่มใจ พอใจส่วนคำว่ากุศลนี้แปลว่าความฉลาดหรือความรู้ความรู้นี้เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความสุขเพราะถ้าไม่รู้ว่าวิธีการทำความสุขใจนั้นทำอย่างไร ก็จะไม่สามารถทำความสุขใจได้แต่อาจจะไปทำความทุกข์ใจแทนก็ได้นำที่พวกเราทั้งหลายเป็นอยู่กันตลอดเวลาเรามักจะทำใจของเราให้ทุกข์อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเราขาดกุศล คือความรู้ที่จะสอนเราให้รู้จากวิธีสร้างความสุขสร้างบุญมีการศึกษาฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้านี้ที่จะช่วยสอนให้เราเกิดกุศลขึ้นมาเกิดความฉลาดขึ้นมา การฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมที่ทำให้เกิดกุศลความจลาญขึ้นมายังเป็นต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือกายจะนั่งเฉยเฉยไม่กระทำอะไรทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะมีความจำเป็นจะต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็ต้องระนับเอาไว้ก่อนถ้าอยากจะฟังเทศฟังธรรมให้ได้กุศลให้ได้ความรู้ความฉลาดขึ้นมาเพราะถ้าเราไปทำอะไรอยู่ใจของเราจะไม่ได้จดจอ่ออยู่กับการฟังนั่นเองเสียงธรรมที่เข้ามาในหูก็จะไม่เข้าไปในใจ แต่จะไปออกทางหูขวาฟังแล้วก็ไม่ได้คุศลไม่ได้ประโยชน์แต่อย่างใดเหมือนกับเวลาที่เทน้าใส่แก้วถ้าแก้วมันคว้างอยู่เทน้ำเข้าไปเท่าไหร่น้ำก็ไม่เข้าไปในแก้วฉันใดใจของเราก็เป็นเหมือนแก้วที่จะรองรับ น้ำแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าใจเราความเสียคือไปอยู่กับเรื่องอื่นอยู่กับการกระทาหรืออยู่กับการพูดเวลาที <c oughs> ่ <c oughs> เราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจ เพราะเสียงธรรมไม่ได้เข้าไปในใจนั่นเองเสียงธรรมนั้นออกไปจากเข้ามาจากขูซ้ายแล้วก็ออกไปทางหูขวาฟังเทศไปมากน้อยก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเสียเวลาเปล่าๆอย่างที่มีญาติโยมบางท่านเล่าให้ฟังว่าชอบฟังเทศฟังธรรม ในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆหรือเวลาที่ขับรถการฟังเทศน์ฟังธรรมแบบนี้จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่เพราะว่าใจจะต้องภาวะพโลว์อยู่กับงานที่ทำหรือการขับรถก็จะทำให้ไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่อง ก็จะต้องส่งใจกลับไปกลับมาระหว่างงานที่ทมและเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหูประโยชน์จึงไม่ค่อยได้เต็มที่ได้บ้างและอาจจะได้ไม่มากเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการแสดงเรื่องเหตุและผลเป็นการแสดงที่จะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่อง ถ้าขาดตอนไปตอนใดตอนหนึ่งฟังแล้วก็จะเกิดความไม่เข้าใจจะเกิดความสับสนได้นดังนั้นถ้าต้องการประโยชน์อันสูงสุดจากการฟังเพลฟังธรรมใจก็ต้องสงบอยู่กับการฟังอย่างเดียวถ้าเรียกว่า ต้องมีศีลมีสมาธิถึงจะฟังทำเพื่อให้เกิดปัญญาเกิดกุศลเกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องได้ <c oughs> ถ้าไม่ได้ฟังด้วยศีลคือกายวาจาที่สงบและสมาธิคือใจที่ตั้งมั่นจดจอ่ออยู่กับการฟัง ฟังไปปัญญาก็จะไม่เกิดทำก็จะไม่บรรลุแต่ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงุก็จะสามารถฟังให้เกิดปัญญากเกิดกุศลและบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังสมัยพระพุทธการพระพุทธเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมเทศนา ในแต่ละครั้งนั้นปรากฏมีผู้บรรลุธรรมอริยะขั้นต่างๆกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากผู้ฟังนั้นฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความศรัทธาฟังด้วยศีลฟังด้วยสมาธิคือกายก็นั่งอยู่ในความสงบวาจาก็ไม่พูดอะไร ใจก็ตั้งมั่นจดจ้ออยู่กับการฟังไม่คิดไปคิดเรื่องอื่นเมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็จะเกิดกุศลเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดดวงตาเห็นธรรมเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้นี่คือการสร้างกุศลต้องสร้าง ด้วยการฝังเทศฝังธรรมเพราะว่าความฉลาดที่แท้จริงนี้ต้องเป็นความฉลาดที่ออกมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นต้องออกมาจากความรู้ที่พระเจ้าทรงนามาสั่งสอนถ้าเป็นความรู้ของคนอื่นนามาสั่งสอน เช่นวิชาความรู้ต่างๆที่เรียนกันในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นความรู้ที่คิดออกมาจากคนที่ยังมีกิเลสตัณหายังไม่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ความรู้เหล่านี้แม้จะอยู่ในระดับปริญญาเอกก็ตามก็จะเป็นความรู้ชนิด ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคำ ว, ว่าท่วงหัวก็คือรู้ทุกสิ่งทุกอย่างระดับปริญญาเองรู้เรื่องของวิทยาศาสตร์ของสังคมศาสตร์ของประวัติศาสตร์ของศึกษาศาสตร์ของอะไรต่างๆในโลกนี้แต่กลับเอาตัวไม่รอดเพราะว่าไม่สามารถรักษา ตนให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ไม่สามารถทำให้จิตใจของตนสงบไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ได้เราจึงเรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดแต่ความรู้ของทางพพุทธศาสนา ที่ออกมาจากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านี้เป็นความรู้ที่จะทำให้เรารอดจากความทุกข์ได้ทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่มีใครรู้ความรู้อันนี้ได้ด้วยตนเองมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น ที่มีความสามารถศึกษาและรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองถ้าไม่มีพระพุทธเจา้ามาตัดสรู้แล้วมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่พวกเราพวกเรานี้ก็จะเป็นพวกที่มีความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดกันเราจะศึกษาวิชาต่างๆจบกรัญญาระดับต่างๆ ปรัญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกแต่ใจของเราก็ยังจะต้องถูกความทุกข์เข้ามาเหยียดย่ำทำลายอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดเพราะว่าความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ได้มาแก้ความทุกข์ที่ใจของเรามีแต่ความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้น ที่มุ่งมาแก้ปัญหาที่ใจของเรามาแก้ความทุกข์ที่ใจของเราดังนั้นพอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏแล้วผู้ที่ได้ยินได้ฟังและนำเอาไปปฏิบัติก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นจำนวนมากและมีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ ระยะเวลาก็ประมาณ 2,500 กว่าปีแล้วแต่สัตว์โลกก็ยังสามารถรับประโยชน์จากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ต่อให้ศึกษาอย่างไรศึกษากับใครก็ตามก็จะไม่มีใครสามารถสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เช่นในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาหาทางให้หลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็ไปศึกษากับภูอาจารย์หลายรูปด้วยกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถสอนให้พระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เลย สอนได้ก็เพียงแต่ให้ระงับความทุกข์ได้ชั่วคราวคือให้เข้าไปในสมาธิให้เข้าไปในฌานขั้นต่างๆเวลาจิตสงบอยู่ในสมาธิตอนนั้นความทุกข์ก็จะหยุดทำงานไปเหมือนกับรถยนต์เวลาดับเครื่องแล้วก็จะไม่วิ่งไปไหนที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อ ผู้โดยสารหรือต่อผู้คนอื่นได้ไม่เหมือนกับรถที่วิ่นบนท้องถนนที่มีโอกาสที่จะสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่ผู้โดยสารและแก่ผู้อื่นได้ใจก็เช่นเดียวกันถ้าอยู่ในสมาธิก็เป็นเหมือนรถที่จอดนิ่งอยู่เฉย ใจก็จะไม่ผลิตความทุกขออกมาแต่พอใจออกจากสมาธิมาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ใจก็จะผลิตความทุกขให้กับตนเองและกับผู้อื่นผลิตความทุกที่พวกเราทั้งหลายทุ ก, กันอยู่ทุกวันนี้และที่เราไปให้ความทุกแก่ผู้อื่นด้วยการกระทำบาป ท, ทำกรรมต่างๆแก่ผู้อื่น นี่คือเรื่องของกุศลคือความรู้ความฉลาดที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสามารถให้กับเราได้ให้ความรู้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จึงเป็นโชคอันมหาศาลของพวกเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาทำให้เรามีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ภายในชาตินี้เลยไม่จาเป็นจะต้องไปสะสมบารมีเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าต้องทรงสะสมด้วยพระองค์เองเพราะว่าไม่มีใครที่จะสอน พระพุทธเจ้าให้หยุดพ้นจากความทุกข์ได้พระองค์จึงต้องสร้างบาราีต่างๆขึ้นมาด้วยพระองค์เองเช่นทานบาลาีศีลบาราีเนคข ม, มกบาลาีปัญญาบาราีเมตตาบาราีและอุเบกขาบาราีที่ที่เป็นเหตุที่จะทาให้พระพุทธเจ้า ได้ตัดสรูปด้วยพระองค์เองแต่พวกเรานี้ไม่จำเป็นจะต้องสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้อย่างโชคชนเหมือนกับพระพุทธเจ้าพวกเราเพียงสร้างบา ร, รมีในปัจจุบันนี้เท่านั้นคือสร้างศรัทธาบา ร, รมีให้มีศรัทธาความเชื่อในการตัดสรูปของพระพุทธเจ้า ให้มีศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มีศรัทธาในพระอริยสงสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเรามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อย่างนี้แล้วเราก็จะเกิดมีฉันทะ คือความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีจิตตะก็คือใจที่จดจอ่ออยู่กับ การศึกษาและการปฏิบัติคือจะไม่สนใจกับงานอย่างอื่นทั้งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานทำมาหากินงานแต่งงานมีครอบครัวงานอะไรต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะทิ้งหมดเลยแล้วก็ใจจะจดจ่ออยู่กับการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวนอกจากนั้นก็จะมีวิมังสาคือการค่้ครวนความคิดอ่านจะคิดแต่เรื่องธรรมะเท่านั้นจะคิดถึงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องวิมุตติการหลุดพน้นจากความทุกข์ทั้งหลายใจจะคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้ จะไม่คิดถึงเรื่องการบ้านการเมืองเรื่องลินทากาเลต่างๆใครจะดีใครจะช่วใครจะสูงใครจะต่ำไม่ใช่เรื่องของเราคิดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้คิดเรื่องธรรมะดีกว่าคิดเรื่องสีเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องการทำความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิ เรื่องการหาสถานที่ปลีกวิเวกสถานที่สงบสงัดคิดถึงเรื่องการไม่คุกคีกันอยู่ตามมุมาเพราะเมื่อคุกคีกันแล้วก็มักจะไปคิดเรื่องอื่นกันไม่ค่อยคิดถึงเรื่องธรรมะกันแล้วก็คิดถึงเรื่องของความมักน้อยสโดุไม่ให้อยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้ ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้ยินดีตามมีตามเกิดให้ยินดีให้พอกับความต้องการก็พอแล้วถ้ามีสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีมีพอแล้วเช่นปัจจัยสี่ก็จะพอจะไม่คิดว่าอยากจะได้เพิ่มมากขึ้นหรืออยากจะให้ดีขึ้นเช่นมีบ้านอยู่อย่างนี้ พออยู่หลมแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปไม่ได้คิดอยากจะสร้างบ้านไหม่ที่มีราคาแพงขึ้นที่ใหญ่โตขึ้นที่มือเครื่องอาําวยความสุขความสบายมากขึ้นจะไม่คิดเรื่องราวเหล่านี้จะคิดแต่เอาพอเพียงเอาเท่าที่จำเป็นพออยู่ได้พอพอถูถ่ายไปได้ก็ใช้ได้แล้ว นี่เรียกว่าวิมังสาคือการคิดแต่เรื่องธรรมะคิดเรื่องการศึกษาเรื่องการปฏิบัติธรรมะถ้ามีความมีคุณธรรมสี่ประการที่ได้พูดนี้คือหนึ่งมีฉันทมีความยินดีมีความพอใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติมีจิต มีวิริยะคือความขยันความภาคเพียงที่จะศึกษาและปฏิบัติมีจิตตะคือใจจดจ่อต่อการศึกษาและการปฏิบัติและมีวิมังสาคือความคิดอ่านถึงเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติธรรมถ้ามีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วก็จะสามารถ บรรลุมรรคผลนิพพานได้สามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ องเพียงแต่เป็นผู้ชี้ทางเป็นผู้บอกทางทรงสอนว่าอัตตาหิตอัตโนานาถูตนเป็นที่พึ่งของตนจะต้องศึกษาเองปฏิบัติเองถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่ให้อาศัยพระธรรมคำสอนของพพระพุทธเจ้าเป็นแผนที่เพราะว่าเราไม่รู้จักทาง ถ้าเราไม่มีแผนที่เราก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางของเราได้แต่เราเองจะต้องมีฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาคือคุณธรรมสีประกาศนี้ที่เป็นเหตุที่จะทำให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ของเรานั้นเป็นไปได้อย่างง่ายดาย เราจึงต้องพยายามสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ให้เกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาให้เรามีความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมมีความขยันในการศึกษาในการปฏิบัติให้จิตเรานั้นมีแต่ความจดจอ่ออยู่กับการศึกษาอยู่กับการปฏิบัติ ให้ความคิดของเรานะั้นคิดอยู่กับเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติแล้วผลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะตามมาอย่างแน่นอนเพราะเหตุคืออิทธิบาท4ี่นี้คือคือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดขึ้นถ้าเรียกว่าอิทธิบาท อิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จส่วนบาทก็คือทางทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะไปในทางโลกหรือในทางธรรมก็ต้องมีอิทธิบาสีใครที่ปรารถนาะที่อยากจะพบกับความสำเร็จในชีวิตของตน ไม่ว่าจะเป็นไปในทางโลกหรือในทางธรรมก็จะต้องมีอิทธิบาทสี่เช่นนักศึกษาที่ปรารถนาที่จะเรียนให้จบปริญญาระดับต่างๆก็จะต้องมีอิทธิบาทสเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่เหมือนกับทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คือทางที่จะมีความยินดีศึกษาปฏิบัติธรรม ก็ให้มีความยินดีศึกษาและปฏิบัติวิชาที่จะทำให้ได้จบปริญญาที่ตนต้องการนั่นเองแล้วก็ต้องมีความขยันร่ำเรียนศึกษาแล้วก็ต้องมีจิตใจที่จดจอ่ออยู่กับการศึกษาวิชาที่ที่จะนำมาสู่ปริญญาที่ตนต้องการ ละใจก็จะต้องคิดอยู่กับเรื่องของการศึกษาอย่างเดียวถึงจะสามารถจบปริญญาได้ถ้าใจแตกไปคิดเรื่องอื่นไปคิดถึงเรื่องแฟนไปคิดถึงเรื่องเที่ยวไปคิดถึงเรื่องเล่นเกมไปคิดถึงเรื่องกิจกรรมนอกห้องเรียนไม่สนใจที่จะคิดถึงการเข้าห้องเรียน ทำการบ้านอ่านหนังสือถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่สามารถเรียนจบปริญญาได้ไม่ว่าจะทำอะไรทั้งทั้งทั้งหมดในโลกนี้จำเป็นจะต้องมีอิทธิบาทสี่คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและการที่จะทำให้เราเกิดมีฉันทะ คือความยินดีเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราปรารถนานั้นมีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเช่นคนอยากรวยนี้เขาก็รู้ว่าความร่ำรวยนี้สามารถทำให้เขาอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอยากจะมีอะไรเขาก็มีได้พอเขารู้แล้วว่า เงินทองนี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขามีความสุขทางโลกก็จะทำให้เขามีฉันทะความยินดีที่จะหาเงินหาทองแล้วเขาก็จะมีความขยันที่จะหาเงินหาทองจิตใจของเขาก็จะจดจ่ออยู่ของการหาเงินหาทองความคิดของเขาก็จะคิดหาวิธีการต่าง ที่จะทำให้เขาได้เงินทองเข้ามาเมื่อเขามีอิติบาทสีแบบนี้เขาก็จะสามารถร่ำรวยได้ในเวลาอันไม่นานดังนั้นถ้าเราอยากจะได้อะไรการสร้างการปลุกความฉันทะคือความยินดีนี้เป็นสิ่งที่จาเป็นเราต้องเห็นคุณประโยชน์ของสิ่งที่เราอยากได้ เช่นเราอยากจะเป็นหมอหรืออยากจะเป็นครูเราก็ต้องเห็นคุณประโยชน์ของการเป็นหมอของการเป็นครูว่ามีประโยชน์อย่างไรกับตัวเราพอเรารู้แล้วว่ามีประโยชน์กับเราก็จะทำให้เราเกิดมีความยินดีแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรกับเราเรียนไปก็จะเรียนไม่จบเพราะจะไม่มีความยินดีเพราะว่าไม่รู้จะเรียนไปทาไม อย่างเด็กบางคนเรียนหนังสือไม่มีกระจิตกระใจไม่มีความยินดีที่จะร่ำเรียนเพราะไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วจะได้อะไรจึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องสอนลูกว่าการเรียนหนังสือการไปโรงเรียนเพื่อที่จะได้มีวิชาความรู้ได้ปริญญาเพื่อที่จะได้นำเอาไปเป็นเครื่องมือท ร, รมาหากิน คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือกับคนที่เรียนหนังสือนี้จะมีความสามารถหาเงินหาทองได้ไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีความไม่ได้เรียนหนังสือนี้จะหาเงินยากกว่าคนที่เรียนหนังสือยิ่งเรียนหนังสือจบชั้นปริญญาสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็จะหาเงินได้ง่ายกว่าหาเงินได้มากกว่า คนที่เรียนต่ำกว่านี่พอเรารู้ว่าการศึกษามีคุณค่าอย่างนี้ก็จะทำให้เราเกิดความยินดีที่จะไปโรงเรียนเรียนหนังสือและเรียนให้จบถึงขั้นสูงสุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เช่นเดียวกับการศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคำสอน เราก็ต้องรู้ถึงคุณค่าของผลที่เราจะได้รับจากการศึกษาและการปฏิบัติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์มีใครบ้างอยากจะทุกขกันไม่มีใครอยากจะทุกขกันเวลาทุกข์นี่แสนทรมานใจถ้าทุกข์มากมากนี่ถึงอยากจะฆ่าตัวตายไปถ้าเราเห็นโทษของความทุกข์และเห็นประโยชน์ของการ หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะทำให้เรามีฉันทะมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพ่อพระเจ้าแล้วก็จะนำไปสู่การมีวิรยิยะความภาคเพียงพอเรารู้ว่าสิ่งที่เราจะได้มีคุณมีประโยชน์กับเรามากเราก็จะมีความขยันมาก อยากจะได้เดียวๆอยากจะได้มากๆก็จะขยันศึกษาขยันปฏิบัติแล้วก็จะทำให้เราจิตใจของเรานี้จดจ่ออยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติและความคิดคือวิมังสาของเราก็จะคิดอยู่กับเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติเมื่อเรามีฉันทะวิรยิยะจิตตวิมังสาอยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติทรรมแล้ว การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังที่พระอริยสงสารงได้ปฏิบัติกันมาทุกองท่านก็มีอิทธิบาทสี่นี้ทั้งนั้นน้ฉันทะวิริยะจิตตวิมงสาท่านจึงสามารถศึกษาและปฏิบัติจนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ภายในชาตินี้เลยนี่แหละเป็นผู้ที่ ยืนยันเป็นผู้ที่เป็นตัวอย่างที่จะทำให้เราเกิดมีความยินดีไม่มีความท้อแท้ไม่มีความลังเลสงสัยถ้าเราไม่รู้ว่ามีพระอริยสงสาวกเราก็อาจจะลังเลสงสัยว่าปฏิบัติไปแล้วจะได้ผลหรือไม่แต่นี่เราไม่ลังเลสงสัยเพราะเรารู้ว่ามีผู้ปฏิบัติ และบรรุผลนี้เป็นจํานวนมากนั่นเองนี่คือเรื่องของกุศลที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรมจะได้ยินได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้นไปจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องจะทำให้ความกระจัดความลังเลสงสัย ที่มีอยู่ในใจของเราไปได้และจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสงบเป็นบุญขึ้นมานี่คือเรื่องของบุญแรงกุศลที่จะเกิดจากการศึกษาฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาไปปฏิบัติจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในเวลาวันหยุดที่มีเวลาว่างนี้ ให้ท่านได้นำเอาไปเพนิสพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขเพื่อบุญกุศลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอย่ดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนกรยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเผ็ดกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัจใจ ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละโดยทั่วหน้ากลางเธอ